ไม่ดื้อดีแล้วคนดื้อคนไม่ฉลาดหนอกคนดื้อนั้นปิดกั้นตัวเองทําให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ได้แล้วถ้าดื้อเข้าขั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยอมแพ้เหมือนกันก็ต้องปล่อยท่านท่านบอกธรรมะท่านน้อยสู้เขาไม่ไหวปล่อยเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะไปด้วยใจที่อ่อนอ่อนน้อมอ่อนโยน ไปแบบไปขอความรู้จากท่านท่านไม่ได้เรียกเก็บค่าเทิมเราด้วยไปหาไปกราบไปไหว้ขอความรู้ท่านก็ให้ให้ด้วยความเมตตาบริสุทธิ์ของท่านท่านไม่ได้อยากได้อะไรกับเราอย่างหลวงพ่อนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์จะประครบประงมมากเลยสอนพร่มสอนทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรไปถวายท่านเหมือนคนอื่นเขาถวายเรา อาหารที่เราไปให้ท่านก็ธรรมดาเงินทองก็ไม่ได้ถวายเยอะเป็นข้าราชการแต่ท่านกลับดูแลมากท่านเห็นเราภาวนาเงินหลวงพ่อจะเคารพครูบาอาจารย์มากเลยแต่เวลาท่านสอนเราไม่ทิ้งเหตุผลเคารพแค่ไหนก็ไม่ใช่ว่าไรเหตุผล ถ้าเคารพแล้วไรเหตุผลนะมันงมงายมันไม่ใช่ศรัทธาธจริงเป็นความงมงายบางครั้งนะหลวงปู่ดูลัตเคยทดสอบนะท่านสอนแล้วท่านถามว่าเชื่อไหมเราน่าใจหายเลยพูดว่าไม่เชื่อก็ไม่งามเหมือนกระด้งกับครูบาอาจารย์มา ก, กลับเลียนท่านว่าผมยังไม่เชื่อผมยังไม่เห็นแต่ผมจะไปปฏิบัติ ด, ดู ท่านก็ชมนะอย่างนี้ใช้ได้ไม่ใช่ดือ้อไม่เชื่อสอนอะไรก็ไม่เชื่อแต่ให้ไปปฏิบัติก็ไม่ทำไอ้ดื้อแบบนี้ดือ้อติดอยู่กับโลกแล้วไปไหนไม่รอดละบางสิ่งบางอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนกว่าเราจะเข้าใจใช้เวลาตั้งนานหลายหลายปีอย่างหลวงพ่อเคยเรียนกัหลวงปู ด, ดุลหลวงพู ด, ดุลบอกให้ดูจิตดูจิต เราก็มาดูจิตคืออะไรจิตคือผู้รู้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นคนรู้ถ้าเราสังเกตเวลาเรารู้กายรู้ใจทางานนะมันคนรู้มันเหมือนอยู่ข้างบนอันนี้สำหรับคนที่เล่นสมาธิมากๆนะมันเหมือนมีคนดูอยู่จากข้างบนน้อยแล้วมองลงมาเห็นร่างกายทำงานเห็นความรู้สึกทำงาน ให้หลวงปู่ดูลงบอกให้ดูจิตน่าจะดูตัวผู้รู้นี้แต่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกความทุกมันปรุงอยู่กลางอกเนี้เดี๋ยปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์สุขก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งความสุขก็เป็นทุกข์เพราะมันบีบคั้นเวลาที่ความสุขเกิดขึ้นพวกเราดูออกไหมความสุขเกิดขึ้นคือสิ่งแปลกปลอมคือสิ่งที่บีบคั้นจิตใจเราเหมือนกัน เป็นตัวความสุขเองก็เป็นเครื่องบีบคั้นก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกัน้สิ่งเหล่านี้มันผุดขึ้นมากลางอกพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์น่าจะรู้อยู่ตรงกลางอกเนี่ยหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตน่าจะดูอยู่จากข้างบนดูลงมาข้างล่างเราจะดูตัวไหนดีนาะที่นี่ยทําไมหลวงปู่กับพระพุทธเจ้าสอนขัดกันสงสัยนะ อยากจะถามเหมือนกันเอาไว้ดูก่อนเอาไว้ดูก่อนแต่บางทีก็ทนสงสัยไม่ไหวนะก็แอบบเรียบเรียบเคียงเคียงถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนกล่าวว่าหลวงปู่บอกว่าจิตยอยู่ตรงนี้นะสบายใจเลยดูมันเกิดดับอยู่ตรงนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าจิตมันอยู่ที่กลางหน้าอกเนี่้ถ้ามันแยกมาอยู่ตัวนี้ไม่เห็นมันจะทุกข์ตรงไหนเลยเป็นตัวสุข ตัวทุกข์มันอยู่ที่นี้ที่กลาง อ, อกนึกว่าหลวงปู่จะบอกว่าจิตอยู่ที่กลางหน้า อ, อกเพราะมันเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์หลวงปูส่สวนมาเลยนะจิตไม่มีที่ตั้งเอาแ่งหนักกว่าเก่าอีกแสดงว่าอะไรไอ้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตั้งอยู่นี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่สักที่หนึ่ง เวีกรรมหนักกว่าเก่าเองจิตไม่มีที่ตั้งหลวงปู่ดูลนะเป็นพระที่ถามมากไม่ได้ท่านสอนเราให้พึ่งตัวเองเวลาท่านสอนสอนประโยคหนึ่งสองประโยคคำสองคาเท่านั้นะถ้าเราไปนั่งซักแบบเรียนปริยัติเอาให้รู้เรื่องท่านก็ไม่อยากพูดด้วยแล้นะเป็นหวังพึ่งครูบาอาจารย์มากไปเอามันตัวเอง จิตไม่มีที่ตั้งเวนเล่าม่รู้วยจอยู่ตรงไหนดนะีอยู่ข้างบนหรืออยู่กลางอกดูนะจกนกระทั่งหลวงปู ด, ดุลมรณภาพไปไปเรียนกับหลวงปู่เทศก็ขยับจะถามอีกนะเอาไปดูก่อนเอาไปดูก่อนครูบาอาจารย์ให้กันบ้านนะก็ไปหาติวเตอร์เฉลยหมดเลยเมื่อไรจะเก่ง mm hmm. เอาไปดูเองไว้ทากันบ้าน อยู่ไปจนหลกงปูเทศสิ้นไปอีกองนะก็ไปหาหลวงปู่สิมนู่หลวงปู่สิมก็สิ้นไอีกจนสุดท้ายเลยองสุดท้ายที่เข้าไปเรียนด้วยหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านก็รู้สิธิหลวงปู่ดุลเหมือนกันคำจริงเป็นลูกศิลป์หลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันเป็นลูกศิลป์หลวงปู่ดุลไล่กันหลายทอดหลวงพ่อนี่เรียนข้ามรุ่นรุ่นหลวงพ่อนี่ควรจะเรียนจากหลวงตาระดับหลวงตามหาบัว หลวงพ่อโดดไปเรียนที่หลวงปู่ดุลหลวงปู่ฟั่นอาวโสก็หลวงตาอีกไปเรียนกับหลวงปู่สุวัตนะว่าจะถามเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูการบ้านอันนี้ยากเหลือเกินเอาไว้ดูเองก็ไม่ถามจนหลวงปู่สุวัตผูสิ้นบีกของอันนี้หมดอาจารย์แล้วสิ้นครู บ, บาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เหลืออยู่หลวงพ่อไม่รู้จักท่านแต่บางองค์ท่านรู้จักหลวงพ่อ อย่างคุณแม่จันดีเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้จักท่านท่านรู้จักหลวงพ่อท่านฟังจากซีดีท่านรู้สุดท้ายเราพอนามานานนะก็เลยรู้ว่าสร้งพระพุทธเจ้าก็สอนถูกหลวงปู่ดุลก็สอนถูกที่เราไม่ถูกรือเราเข้าใจผิดเองหลวงปู่ก็สอนจิตไม่ได้มีที่ตั้งหรอกเพราะอะไรจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั่นไม่ตั้งอะไรอยู่ละ จิตไม่ใช่ของเที่ยงเนี่ยจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่จมูกที่เล่นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับลงตรงนั้นจิตนั้นไม่เกิดลอยลอยจิตเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอมีจิตต้องมีเจตสิกในขณะเดียวกันมีจิตต้องมีอารมณ์มันเป็นของที่ต้องเกิดร่วมกันถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอารมณ์ ถ้ามีจิตก็ต้องมีเจตสิกถ้ามีเจตสิกก็ต้องมีจิตเจตสิก ค, คือความรู้สึกสุขทุกข์ความจําได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยกันสิ่งที่เราเห็นมันผุดขึ้นมามันคือเจตสิกธรรมแต่ละชนิดที่ผุดขึ้นมาความสุขไม่ใช่จิตี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่จิตก็ไม่ใช่ตัวที่จ้องอยู่ข้างบนนี้จิตไม่มีที่ตั้งจริงๆ ความทุกข์เป็นเจตสิกธรรมผุดขึ้นมากลางหน้าอกนี่กุศลโลภโกรธหลงก็ผุดขึ้นมากลางอกนี่เป็นเจตสิกผุดขึ้นมาเป็นความปรุงทั้งหลายจิตเป็นคนไปรู้เข้าแล้วจิตอยู่ที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีร่องรอยมีอยู่แต่ไม่มีร่องรอยถ้าเราจงใจว่าจิตตั้งอยู่ตรงนี้จิตตั้งอยู่ตัวนี้คือการเพ่งจะเป็นจิตตัวปลอมนันทีเลย หลวงปู่ถึงสอนบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเนะนี่มีใครก็ไม่รู้ไปเขียนนหลวงพ่อไปเห็นที่เขียนธรรม ะ, ะแบบพร้อมหลวงปูดุลนะทําเว็บไซต์พรลอมธรรมะหลวงปูดุลนละเอารูปหลวงปู่มาลงมั่งรูปหลวงพ่อกับหลวงปู่ว่างอะไรอย่างนี้แล้วก็มีธรรมะข้างล่างเขียนเอง อ่านรู้แล้วอ่านปุ๊บรู้เลยไม่ใช่หลวงปู่สำนวนนก็ไม่ใช่เนื้อหาก็ไม่ใช่ธรรมะก็ไม่ถึงต้องระวังนะต่อไปเวลาใครอ้างว่าหลวงปู่สอนอะไรนะต้องถามว่ามาจากไหนมาจากไหนถ้ามาจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้เันนียอันนี้ใช่ใช่แน่นอนก็หลวงปู่ฝากไว้ในยคนแต่งือเช้าคุณอุปชาหลวงพ่อ เป็นลานหลวงปู่อยู่กับหลวงปูลลงปป่มาสี่สิบกว่าปีนี่มานั่งแต่งนะบอกว่าถ้าท่านแสวงหาจิตของท่านได้ท่านจะได้ธรรมะหลวงปู่ดูลไม่มีเธอไม่มีท่านไม่มีคุณไม่มีผมหรอกไม่มีหรอกท่านอย่างน้นท่านอย่างนี้ไม่ใช่หลวงปู่ดูลฟังปุ๊บก็รู้แล้วลูกศิษย์หลวงปู่ดูลแท้ๆนะเวลาอ้างธรรมะหลวงปู่ดูนะ่เหมือนกันทุกคาเลย ทุกคำเลยนะไปถามองค์ไหนก็ได้พูดเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะอะไรหลวงปู่พูดไม่กี่คำหรอกนะแต่ว่าเจอทีไรก็พูดทุกทีเจอจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเียงแจมแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตยเยงแจ่แจ้งเป็นนิโรธเนะี่ยเป๊ะเลยนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิด จงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเป๊ะเลยนะไม่มีเคลื่อนกันสักคำไอ้ที่มาท่านจงอย่างนั้นท่านจงอย่างนี้ไม่ใช่อจอมปลอมนะร้ายมากเลยอย่างนี้ทำลายคำสอนครูบาอาจารย์เลยพ่อนาไปเรื่อยนะเรารูเลยโอ้โหหลวงปู ด, ดุลไม่ธรรมดานะคำสอนท่านนักข่มเรลึกพ่อนากันหลายปีกว่าจะเข้าใจการดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่ดูตัวจิต อยู่ๆจะไปดูตัวจิตจะไม่มีอะไรให้ดูจิตนั้นไม่มีร่องรอยเลยจิตมีอยู่นะแต่ไม่มีรูปรักไม่ใช่ไม่มีร่องรอยมีร่องรอยแต่ไม่มีรูปรักษมันมีการกระทำงานที่เราพอสังเกตได้แต่ไม่มีรูปร่างมองของที่ไม่มีรูปร่างเหมือนมองเขาเรียกตัวอะไรนะที่หายตัวได้อะไรพวกนี้ก็พวกร่องหนความจริงร่องผนไม่ได้แปลว่าหายตัวนะ คำว่าล่องหนจริงๆหมายถึงว่ามีรูเล็กๆเนี่ยมุดทะลุเข้าไปได้เช่นมีรูกุญแจอยู่จะเข้าห้องเนี่ยเข้าทางรูกุญแจนี่ถือเรียกล่องหนนะถ้าหายตัวก็หายตัวโคราชกันจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างไปดูมันตรงๆไม่ได้แต่มันมีร่องรอยปรากฏร่องรอยของมันนะเราดูจากเจตสิกนี่แหละจิตบางดวงมีความสุข งั้นจิตที่มีความสุขกับจิตที่มีความทุกเนี่ยคนละดวงกันเวลาจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นมีความสุขความสุขดับไปปุ๊บจิตก็ดับไปด้วยก็จิตกับเจตสิกเกิดร่วมกันมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเกิดจิตใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นจิตอุเบกขาก็ได้เป็นจิตสุขจิตทุกอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดเราเลือกไม่ได้ว่าจิตดวงต่อไปนี้จะเป็นจิตสุขจิตทุกจิตดีจิตชั่วเลือกไม่ได้เลยนะลองสังเกตจิตใจเราเราเลือกไม่ได้ ว่าให้จิตสุกเกิดเงีไม่เกิดห้ามจิตทุกเกิดห้ามไม่ได้จิตดีจงเกิดจิตชั่วห้ามเกิดห้ามไม่ได้เนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะดูร่องรอยของมันนะความเกิดดับของมันนะผ่านเจตสิกอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองหลวงปู่ ด, ดูลสอนมาอย่างนี้หลวงปู่ ด, ดุลสอนให้หลวงพ่อดูจิตที่แรกหลวงพ่อไปดูตัวจิตแล้วรักษาตัวจิตอยู่ท่านบอกว่าผิด นี่คือการแทรกแซงจิตให้ดูจงทำรยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปคำว่าจงทำรยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเนี่ยประโยคสั้นนิดเดียวเนี่ยครอบคลุมธรรมะมหาศาลเลยทำอะไรทรรยานยานคือปัญญาไม่ใช่บอกว่าจงมีสติเห็นจิตนะตจงมียานเห็นจิตยานคือปัญญาก็ต้องเห็นไตรลักษ ญาณเห็นไตรลักษณ์มันเป็นตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าสติเห็นตัวสภาวะตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์สติเห็นสภาวะเช่นเห็นตัวความโกรธเห็นตัวพองตัวยุบตัวยกตัวย่างสติเป็นตัวรู้ตัวหายใจออกตัวหายใจเข้าแต่ปัญญาเป็นตัวเข้าใจถึงความเป็นไตรลักษณ์ว่าสิ่งที่สติไประลึกนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เพราะนั้นการดูจิตนี่ไม่ใช่ใช้สติไปดูนะใช้ปัญญาไปดูคือดูให้เห็นไตรลักษณ์ดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตไม่ใช่ดูตัวจิตนะจงทำยานเนี่ยานเอาไปทำอะไรเอาไปเห็นเพราะฉั้นไม่ใช่ยานเอาไปคิดไม่ใช่ยานเอาไปเพ่งมียานเห็นการเห็นคำว่าเห็นเนี่ยคำว่าเห็นนะอย่างตาเห็นรูปท่าบอกเหมือนตาเห็นรูป จงทำยานเห็นจิตนกลัวเราไม่รู้เรื่องนะขยายเหมือนตาเห็นรูปเวลาที่ตาเรามองเห็นรูปเนี่ยตาสั่งรูปได้ไหมรูปมันเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเราลองหลับตาแล้วหันหน้าไปทางใดทางหนึ่งแล้วลืมตามรูปมันเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นเราสั่งไม่ได้นะสมมติว่าคนข้างซ้ายเราเนี่ยเป็นผู้ชายนีเราหลับหันไปจงเป็นผู้หญิง รืมเพิ่มมามันไม่เป็นหรอกนะตาเห็นรูปรูปเป็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนเราเห็นจิตเหมือนที่ตาเห็นรูปหมายถึงว่าจิตเป็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่เข้าไปแทรกแสงนะแต่เห็นด้วยหยานแม้ว่าสภาวะจิตเป็นอย่างไรทุกๆสภาวะนั้นล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ดูเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หลวงปู่ดูลบอกจงดูจิตแล้วก็นิ่งอยู่กันนั้นอันนั้นรู้ด้วยสตินะ สติเป็นตัวรู้สภาวะปัญญาเห็นไตรลักษณนะ์งั้นคำพูดของท่านนะสั้นนิดเดียวนะแต่อัศจรถ้าฟังเป็นเราก็อู้มันมันสะใจมากเลยนะคำสองคำเท่านั้นเองแต่เวลาขยายความนะขยายได้เยอะแยะเลยถ้าอย่างนี้ท่านเก่งในทางไหนรนะู้ท่านเก่งทางย่อธรรมะอันมากมายให้เหลือ น, นิดเดียว ในปฏิสัมพิทาสีมนะีสามารถอธิบายธรรมะนะให้กว้างขวางแค่ไหนก็ได้นะรวบย่อลงมาแค่ไหนก็ได้รู้จักใช้ภาษานะรู้จักใช้ภาษาสอนคนนี้ใช้ภาษาอย่างนี้เขาสื่อสอนคนนี้อาจจะใช้ภาษาท่าทางนะเช่นกำลังใจรอยหันมหายุบเนี่ยอ๋อจิตตื่นโครงเลยเห็น ไ, ไหมนี่ก็ภาษาเหมือนกันภาษาไม่ใช่ต้องพูดอย่างเดียวนี่ อนกอ่กหอลวงพ่อแก่แล้วหลวงพ่อก็จะใช้ภาษาท่าทางแทนนะเพราะว่าพูดไม่ไหวก็บางทีก็ใช้เห็นไหมทำหน้าให้ดูอะไรนี่ก็ภาษานะทำไมเราจะต้องจำกัดตัวเองด้วยภาษาที่เป็นคำพูดภาษามันก็แค่สื่อเพื่อจะสืส่อเพื่อจะสื่อความเข้าใจกันเท่านั้นหลวงพู่ดโดน่าสัาาจจันทร์นัจจรร์มากนะคำสอนท่านไม่ได้ให้ดูตัวจิตตรง แต่ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการทํางานของจิตไปตามธรรมชาติธรรมดาสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านรู้ขึ้นมาเองหลวงปู่มั่นก็สอนท่านมาแต่หลวงปู่มั่นสอนท่านด้วยภาษาที่ต่างออกไปอีกท่านมาสอนพวกเราด้วยภาษาอีกอันหนึ่งแต่เนื้อมันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนเราก็อันเดียวกันนะแต่ภาษาก็าต่างกันออกไปอีกหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลบอกว่าสัเพสังขาราสพัพพสัญญาอานิจจา สังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังคาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยไปดูจิตเห็นไหมไม่มีคําว่าให้ไปดูจิตตรงๆเลยไม่มีเลยให้ไปดูให้ไปเห็นสภาวะอะไรความเป็นอนจังอนัตตาอะไรเนี่ยนี่คือมียานเห็นใจรักแล้วใจรักของอะไรของสังขารคือความปรุงแต่งของสัญญาก็เป็นความปรุงของจิตอย่างหนึ่ง เป็นเจตสิกอีกอย่างหนึ่งถ้าจะให้เต็มที่นั้นก็จะมีเวทนาหรือความสุขทุกข์อีกตัวที่เกิดกับใจแต่หลวงปู่มั่นดูแล้วหลวงปู่ดุลเล่นสองตัวนี้ก็ถึงที่สุดได้นะท่านก็สอนให้สองตัวไม่ต้องครบสามตัวเจตสิกมีสาตัวนะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลสัญญาและสังขาร หลวงปู่มาสอนหลวงพ่อให้ดูไ้ไม่ได้บอกให้แยกเราเลยเห็นเวทนาอีกตัวหนึ่งนี่หลวงปู่ดูลูอยู่ไม่นานนะดูอยู่ไม่นานท่านก็รู้อริยสัจแปลกไหมดูสัญญาดูสังขารแล้วรู้อะไรรู้อริยสัจอริยสัจที่ท่านรู้เนี่ยเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตด้วย จิตทรออกนอกคือสมุทัยผลที่จิตสรออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนั่นเองคาว่าเห็นแจ้งตรงกับคำว่าวิได้ยินคําว่าวิปัสนาไหมปัสชนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งดังนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่เห็นจิตเฉยนะ อย่างแจมแจ้งคือเห็นอย่างวิอย่างวิปัสนาเนี่ยคำสอนของท่านะอาศจร น, นะท่านดูความเกิดดับของสังขารและสัญญามันทำงานด้วยกันเมื่อตามองเห็นรูปสัญญาเข้าไปแปลความหมายของรูปสังขารก็ปรุงรูปนี้ชอบรูปนี้ไม่ชอบเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยสัญญาก็าไปแปลความหมายของเสียง สังขารก็ปรุงว่าเสียงอย่างนี้ชอบเสียงอย่างนี้ไม่ชอบราคาโทสะก็เกิดหรือปรุงกุศลปรุงอกุศลเนี่ยท่านเห็นกระบวนการทํางานนี้สุดท้ายท่านเห็นว่าจิตนี้แหละไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์เป็นตัวอนัตตาแล้วแต่จะเห็นนะเห็นเป็นอนิจจังก็ได้ทุกขังอนัตตก็ได้อย่าหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านเห็นเป็นอนัตตาท่านวาง บางท่านก็เห็นว่ามันเกินดับไปก็วางบางท่านเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ก็วางท่านไหนเป็นแบบทั่วๆไปนะพื้นธรรมดาเนี่ยเห็นแค่ว่ามันเกินดับจิตนี่เกินดับเนะี่ยท่านก็วางจิตได้บางท่านทรงฌานสมาธิแก่กล้าเพื่อเ น, นี่ยเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ถึงจะวางเพราะเวลาจิตที่ทรงฌานนะจิตมีแต่ความสุขงนั้นถ้าไม่เห็นทุกข์นะไม่ยอมปล่อยวาง บางท่านปัญญาแก่กล้าเห็นจิตเป็นอนัตตาท่านก็วางท่านาถอนกว้างทิ้งไปเลยระเบิดไปเลยเพราะหน้าที่ของเราถ้าจะเจริญปัญญานะถ้าด้วยการดูจิตดูใจทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตโลภกรดหลงก็รู้รู้อย่างที่เป็นรู้ไม่ใช่เพื่อเอาดีไม่ใช่เพื่อเอาสุขเพื่อเอาสงบ แต่รู้เพื่อให้เห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงะสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่เที่ยงหรือเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์จะสงบหรือจะฟุ้งซ่านล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่ได้ทนทานงถูกบีบคั้นให้สลายไปอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขัง มันถูกบีบคั้นมันเป็นภาระนะตัวที่เห็นทุกขังเนี่ยหรือจะเห็นเป็นอนัตตาก็ได้นะไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ควบคุมมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวจริงของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันิ้งไปเมื่อจิตเห็นจิตแจงแจมแจ้งนะเป็นมักที่หลวงปู่ ด, ดุลบอกก็คือเห็นอย่างเป็นไตรลักษณ์ เป็นมักยังไงมักตัวนี้หลวงปู่พูดแบบ อ, อมๆพูดแบบไม่ให้ชงชางเกินไปถ้าพูดตรงไปตรงมาจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นอรหัตตมักเพราะอะไรถ้ามักอื่นๆนนะเห็นกายแจม่มแจ้งก็เป็นได้เห็นเวทนาแจม่มแจ้งก็เป็นได้อย่างพระนาคามีเนะแจ้งในกายในรูปนะแจ่มแจ้งเลยไม่ยุดในรูป เมื่อยึดในรูปก็ไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ย no ึดตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสปทภะเมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสปทภะก็ไม่มีกามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสปทภะไม่มีปฏิฆะความขัดใจในรูปเสียงกลิ่นรสปทภะแต่มีความพอใจในความสุขความสงบไม่ได้พอใจในกามแต่พอใจในความสุขความสงบก็อยู่ในความสุขความสงบจิตมันมีความสุข เนี่ยพพอพานามาถึงจุดที่จะแตกหักเนี่ยมันจะเข้ามาเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนีจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งเห็นอย่างวิปัสสนานะคำว่าแจมแจ้งคือตรงกับคำว่าวิเนี่ยวิปัสสนาว่าเห็นแจ้งเงั้นจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไปจิตสลัดคืนจิตให้โลกไปที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเอง มันจะเกิดธาตุรู้ขึ้นมาทํางานแทนจิตที่เคยเป็นจิตของเรานะมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีความแปรปลวนนานาชนิดนธาตุรู้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นธาตุรู้ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาแต่สิ่งที่ผุดขึ้นในธาตุรู้นะ มีเวญทนาได้สองชนิดนะในาธาตุรู้บางครั้งเกิดโสมนัตคือความสุขบางครั้งเป็นอุเบกขาผุดขึ้นมาในาธาตุรู้นี้บางทีก็ประกอบด้วยปัญญาบางทีไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะหันไม่ได้มีปัญญาตลอดเวลาจำเป็นต้องใช้ก็มีไม่จำเป็นก็อยู่เฉยๆอยู่สบายๆเพราะเอาเข้าจริงกระทั่งตัวปัญญานะย ก็เป็นความปรุงแต่งเป็นความแปลกปลอมเป็นขันเป็นโลกเป็นภาระเพราะฉะนัอ้นอย่างพระพุทธเจ้านะท่านแสดงธรรมมีภาระขันห้าเป็นภาระแต่ท่านไม่ได้แบกจิตท่านไม่เข้าไปแบกแต่ถ้าท่านอยู่เฉยๆท่านสบายไม่ต้องปรุงค่อยเรียนนะค่อยเรียนไป ถือศีลห้าไว้ก่อนทุกวันฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วจิตสงบจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องเห็นทั้งหมดเห็นบางอย่างก็พอคนไหนขี้โมโหเ็เห็นจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วจิตโกรธก็หายคนไหนขี้โลภ ก็เห็นจิตโลภเกิดขึ้นแล้วจิตโลภก็หายวันไหนขี้ฟุ้งซ่านเห็นจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วจิตฟุ้งซ่านก็หายหัดดูอย่างเนี้ยทําไมเริ่มต้นจากของไม่ดีทําไมหลวงพ่อไม่เริ่มต้นว่าจิตไม่โกรธก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ทําไมไม่เริ่มอย่างนี้เริ่มจากของชั่วๆทั้งนั้นเลยจิตมีราคาก็รู้จิตไม่มีราคาก็รู้ทำไมต้องไปเริ่มจากกิเลสก่อน ว่าพวกเรามีอะไรล่ะเราเริ่มจากของที่เรามีสิเห็นไหสิ่งที่พระเจ้าสอนนะประณีตนะงดงามสมบูรณ์ไม่มีดังพร้อยเลยสักคำเดียวงามจริงๆเลยยิ่งภาวนานะยิ่งซาบซึ้งถึงใจในพระปัญญาตรัสรู้นะรักพระพุทธเจ้ามากเลยเรารู้ว่าท่านเหน็ดเหนื่อยท่านลำบาก เพื่อพวกเราซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับท่านนะอย่างพวกเราทำงานเลี้ยงลูกใช่ไหมมันลูกเราพระุทธเจ้าสอนสาวกนะเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็เรียกโดยโวหารใจไม่ได้ยุดถือเลยไม่ได้ยุดถือเลยจะมาเป็นสาวกหรือไม่เป็นสาวกก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่อยากชวนให้ลองปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ได้ชวนคนมาเป็นสาวกนะท่านชวนคนให้ลองปฏิบัติ ส่วนปฏิบัติแล้วชอบใจก็เป็นสาวกท่านไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสาวกทีแรกชอบตอนหลังไม่ชอบก็ไม่ว่าอีกนะแยกตัวไปแบบเทวทัตก็ไม่ว่าไม่ว่าสักคำให้อิสระเต็มที่เนื้อความกรุณาของท่านนะมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์กว่าความกรุณาที่พ่อแม่มีกับลูกสิพ่อแม่มีกับลูกเนียกรุณาเพราะมันลูกเรา พระเจ้าการุณาเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณใครเข้ามาในขายที่ท่านรู้ท่านก็เมตตาการุณาไปหมดช่วยได้ท่านก็ช่วยสงเคราะห์ได้ก็ช่วยสงเคราะห์ไม่เลือกชั้นวันละเนี่ยนะบางคราวท่านเทศอยู่เนี่ยท่านรู้ว่าประเดี๋ยวจะมีคนขอทานเป็นโลกเรือนผ่านเข้ามาในวัดเพื่อจะมาเห็นคนมาเยอะๆจะตามเข้ามาขอทานแต่ขอทานเนี่ย จะมีมารยาทระหว่างที่ผู้เจ้าเทศอยู่เขาก็จะนั่งฟังรอให้เลิกเทศแล้วค่อยขอทานไม่ใช่ผู้เจ้าเทศอยู่ก็เดินสะกิดขอไปเรื่อยเหมือนยุคเนี้ยมารยาทไม่ดีหลวงพ่อเทศอยู่ก็ควักกล้องมันถ่ายเนี่ยสู้ขอทานสมัยน้นยังไม่ได้เลยรู้การะเทศะนี่ท่านนั่งเทศอยู่เรื่อยๆนะเพื่อรอขอทานคนเนี้ยขอทานคนนี้มานั่งฟังได้โสดาท่านก็เลิกลนะ วันนี้แค่นี้พอละโปรดคนใหญ่คนโตคนตั้ารวยมาฟังเยอะแยะวันนี้จะโปรดขอทานเพราะว่าถึงวาระที่คนนี้จะได้ธรรมนะนใจของท่านไม่ใช่เลือกว่าเศรษฐีมาก็ต้องโปรดเศรษฐีก่อนไม่ใช่ที่นี่เคยมีนะมีเศรษฐีมาแล้วเรียกร้องสูงเรียกร้องต้องเจอหลวงพ่อต้องถามส่วนตัวต้องเี้ยให้เหมือนกันนะ ถ้าไม่ให้จะโกรธโกรธแล้วเดี๋ยวบาปมากเราสงสารมากแล้วเหนื่อยมากเลยนะต้องมาคุยกับเธอนอกรอบอีกนะเรแล้วพอคุยพอเขาเริ่มคุ้นก็เริ่มสอนเขานะว่าทีหลังอามายกมือถามอย่างนี้นะให้เหมือนคนอื่นเขาพอค่อยสอนนะที น, นี้เขาก็ปรับตัวนะมาถึงก็มานั่งอย่างพวกเรานี่แหละไม่ต้องนั่งโต๊ะอี้ทองคําอะไรหรอกนะนั่งเสือเท่ากับเราเนี่ย ในวันจีก็ต้องผอนปลนเหมือนกันกลัวขาบาักค่อยๆประครบประงมนะแต่พวกเราเนี่ยพวกทนทานทนมือทนเท้าแล้วนะหลวงพ่อไม่ประครบประงมอีกนะทุบได้ทุกเลยนะใครทนได้ก็ได้แก่น์พระเจ้าสอนอย่างนั้นนะทนไม่ได้ก็แตกกระจายไปอ้าไปกินข้าวนิมนต์ถูกร่วงเลยครับ